แต่ก็จริงนะว่าเวลาคนจะกโกรธใครสักคนหนึ่งะนะก็คือเนี่ยโกรธว่าเข้ามาทำลายตรงเข้ามาทำลายโดยอ้อมทาลายโดยอ้อมก็คือกลุ่มไม่ช่วยเหลือเกื้อก๊เกลเป็นต้นเขาน่าจะช่วยเราเขาน่าจะอยู่ฝ่ายเราอะนะไม่มาอยู่ฝ่ายเราเลยอะ่ะอันเนี้ยแหมที่เรามีปัญหาหายหน้าหายตาไปหมดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้นึกโกรธเหมือนกันเนี่ยนะเป็นที่ตั้งอันนึกโกรธอันนี้คืเรียกว่าทาลายประโยชน์ในด้านทางทางกาย นี่มันก็มีการทำลายประโยชน์ในทางวาจาอีกเหมือนกันนะเรียกว่าถ้าพูดกับเราก็ไม่รู้การรู้เวลาเลยนะคนนั้นมาพูดฉีกหน้าเราหน้าดูเลยนะนึกเมื่อไหร่ก็แค้นมันทุกทีอ่ะนะครั้งที่คำเตือนอย่างเงยเตือนเรื่องจริงแหละแต่มันน่าจะรู้การรู้เวลาสับ้าง <c oughs> ก็คือมาพูดเรื่องจริงอะ่ะแต่ว่าไม่ถูกการ เรื่องไม่จริงด้วยแล้วผิดการด้วย น, นี่หนักกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นึกแ ล, กล้วโกรธทุกทีเลยนะนึกนึกเมื่อไรแล้วก็ไม่พอใจหรือว่าคนอื่นเขามาเตือนเราเนี่ยด้วยเรื่องไม่จริงหรือมาพูดกับเราด้วยเรื่องไม่จริงเนี่ยนะหรือคนที่เคยมาหลอกเราเนี่ยนะเราก็เรียกว่าเสียผลประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมแหมมนหลอกเราได้อะนึกคนนั้นทําไมมาหลอกเราได้บางทีเปเคยของมาเคยไปถามทางอนะ ว่าเอ๊ะทางนี้มันไปไหนหรือจะไปตรงโน้นได้เนี่ยไปยังไงชี้มั่วเลยอะแล้วเราก็ไปตามเขาแล้วก็มานึกดูเอ๊ะไม่รู้พูดทําอะไรแล้วก็นึกไม่ค่อยชอบอนะภา ษ, าษาธรรมะก็เรียกว่าโกรธละนันก็คือคือทําไมจะต้องไม่รู้ก็น่าจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยนะให้เราไปเดินตามเนี่ยให้อตอนนั้นไปเดินกับใครเดินกับอาจารย์ประโมทหรือใครตลาดพี่บูจนจําได้ตลาดวาริ น, น, นเหนะห เทศบาลไปทางไหนก็ชี้โน่นเลยอะเราก็ไปตามนะเดินตั้งนานนีเ่เราก็มาแป๊บเดียวทําไมไมันไปไกลจังกันนะคุณมันนึกดูไม่รู้มันก็น่าจะบอกว่าไม่รู้นะนแต่ตอนขาไปนะคือจําทางไม่ไดนะ้ขาไปนี่ร้านตลาดปิดหมดพอขากลับนี่มันเปิดร้านหมดแล้วก็เลยจําไม่ได้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเนี่ยนะคือเมืองนี่นะกลางคืนกับกลางวันเนี่ยคนละเรื่องเลยตอนที่อะไรนะเท้าเฮาเนี่ยนะหรือ บ้านแถวเนะี่ยตึกแถวทั้งหลายแลนะเนี่ยถ้าเปิดห้องเปิดบ้านนะถนนเส้นนั้นจะอีกเรื่องหนึ่งลถ้าปิดหมดก็จะอีกเรื่องหนึ่งไอเราไปตอนปิดมาตอนเปิดเลยจําไม่ได้เลยก็เลยไปถามคนอีกคนหนึ่งไปทั้งนาน ก, ก็ชี้มั่วไปหมดเราก็เดินตามเลยนะเดินไปตั้งนานทำไมไม่ถึงสักทีหนึ่งเราก็ไปถามคนอื่นอีกเขาบอกท่านมาคนละสายเลยว่าือนนก็เลยกลับไปนะก็มั น, นึกไอคนบอกคนก่อนหมทำไมมันบอกเรา นะไม่รู้ก็น่าจะว่าบอกไม่รู้เนี่นะแล้วก็นึกแล้วก็ไม่ชอบก็ปปแปลว่าโกรธนั่นนะแหละพันเอกคำพูดทั้งหลายแลเนี่ยนะเวลาเราไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะนึกถึงประเภทแบบนี้หรือบางทีอ่ะที่เรานึกไม่ชอบคือน้ำเสียงที่เขาพูดกับเราอัที่เรื่องดีเรื่องจริงอะ่ะแหมแต่ว่าทำไมมันขาดเมตตากันขนาดนั้นทำไมคำพูดมันก็โชโขขขกโคกคาบทำไมคาพูดมันแห้งแลง้งอย่างนั้น่ะนะ ทำไมมันป่วยมาจากไหนทําไมพูดคําประเภทนั้นขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบอีกเหมือนกันน ะ, ะคําพูดทั้งหลายแหละนี่ก็เป็นเหตุให้ระลึกแล้วก็โทสะเกิดขึ้นว่าทําไมเขาใช้คํากับเราแบบนั้นเขาน่าจะใช้คําอีกอย่างหนึ่งน ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธใช่ไหมอย่างเราเคยนึกไหมคนคนที่เคยว่าเราเนี่ยนึกถึงคําเสียดสีคําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ หรือแม้กระทั่งคําดีเนื้อหาดีอ่ะแต่คําพูดลอ้อตึงล้อเลียนเนี่ยเราก็ไม่ชอบใช่ไหมพ่อบัณฑิตอย่างงี้นะจริงก็จะดา่าเรานั่นแหละนะพ่อผู้ดีเนี่ยเนบางทีก็อาการลากเสียงเป็นนั้นแลนึกถึงเมื่อไหร่ก็อาจจะโกรธเนี่ยนะ ก, ก็แล้วแต่นะไออย่างที่กล่าวเนี่ยมันเป็นแผลของรายคนไปคนบางนะอย่างนึงก็ถือแบบนั้นแผลใหญ่มากแบบนี้เขาเรียกว่าแผลแผลใหญ่มากเล่าต่างกัน พวกที่นับถือวัตถุกรรมเนี่ยนะก็จะถือว่าใครไม่ช่วยเหลือประโยชน์เรามาตัดวัตถุกรรมเราอันนี้ไม่ดีพวกที่ถือศักดิ์ศรีเป็นหลักเนี่ยนะอั น, นพวกนี้ใช้คํานนพวกนี้ใช้คํามากหรือแม้กระทั่งว่าเขาเขาพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยนะแม้กระทั่งฟังเดราชานคาถาฟังอะไรเป็นต้นก็ไม่พอใจพูดทําอะไรมันไม่มีประโยชน์ยังไงนะนึกถึงไอมันพูดทําอะไร เนะี่ยก็เหมือนกับว่านึงเขาเขาก็ว่าของเขาไปเรื่อยเนี่ยเราก็ทําไมเราต้องมาฟังด้วยแล้วก็ทําไมมันพูดอย่างนั้นด้วยอย่างนั้นนึกถึงแล้วก็ไม่พอใจนะเนีเพราะฟังเรื่องที่ไร้ประโยชน์เนี่ยนะขณะที่เราฟังคําเรื่องที่ไร้ประโยชน์แล้วเราก็ไปนึกไม่พอใจคนพูดเนี่ยนะไอคนประเภทนั้นก็ชื่อว่าทําลายประโยชน์ของเราเนะี่ยก็ไร้ประโยชน์ก็แปลว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องดีอะไรดีแต่ทําไมเขาเขาไม่เมตตาต่อเราเลย อนนะคือคือไม่มีเมตตาเนี่ยนะคําพูดของอีกคนหนึ่งที่เราฟังแล้วไม่พอใจคือเขาขาดเมตตากับเราหรือบางทีเขาพูดกับเราด้วยโทสะเนี่ยนะนะขึ้นเสียงสูงนี่เราก็สมมุตินะไปเอ่อไปโรงพยาบาลนะไปเที่ยวถามเขาบอกว่าไอ้ที่ที่หมอคนนั้นเขาแนะนําให้ไปโน่นอ่ะไปตรงไหนอีกคนหนึ่งทั้งโน้นเนดะ้อกระแทกเทียบเอ่อกระแทกเสียงดังๆเลยนะพอใจไหมไม่ค่อยพอใจนะถึงบอกเราจริงเราก็ไม่พอใจเนี่ยนะอันนะั้ คือถ้าเพศแบบประเทศไทยนะ ก, ก็อาจจะถือเรื่องนี้นะแต่อินเดียนี้มาเคยไปถามไอ้รองเท้ามันขายยังไงนะเด็กข า, ขายของมันคว้างให้เลย <c oughs> นะวิธีบริการก่างอินเดียนะคนไทยไปซื้อถือตายเลยนะอินเดียนะ่ยว่าไอ้คู่นี้เท่าไหร่มันเคี่ยงให้เลยจนะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาอนะ่ีเนี่ยขายของแบบแขกกันนะ <c oughs> เอเอเขาขายกันแบบนั้นนะยกของมานี่คว้างให้เลยอนะ่ะ จะซื้อหรือเปล่ารองเท้านะเพราะพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะก็ถ้าเป็นคือคือคนอินเดียเขาไม่ได้ถืออะไรเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมของเราไม่ได้เอาไมค้านี่ดีนะเคยเคยแต่ถูกกล่อมแบบนั้นมานะพอมาเจอเจ้าตรงๆเข้าไปเลยรับมันก็ได้ <c oughs> เีย น, มมย น, ย น, ยนยรรมเจราะอ คราวนี้พอเรียนแล้วโโลมีโทรศัพท์ก็จะเริ่มมีความคิดอย่เดียวเราคิดดีมืก่นี้เราไม่สในสใจก็จบใช่ตอนเราก็ไปนึกตำหนิเขาไนงะคือจริงๆกลุ่มโทรศัพท์ก็คือนึกตำหนิเขานั่นเองนึกไม่พอใจในสิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดแม้กระทั่งโดยที่สุดเนี่ยนะคนที่เรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบกันแล้วนะนึกเมื่อไหร่ก็ชักไม่ค่อยสนุกอะ่ะ ไอ้คนโน้นเขาทำไมเขามองหน้าเราแบบนั้นน่ะนะสมมติว่าเราก็ทําไมเขาเห็นเราแล้วเขาเย็นชาจังอย่างเงี้ยนะทำไมเขาไม่มีจิตใจหรือยังไงเนี่ยนะก็แม้พวกนี้บางคนเนี่ยนึกถึงแล้วโกรธนึกถึงแล้วก็ไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาขาดเมตตาจิตต่อเราเขาไม่เป็นมิตรต่อเราเลยเขาเขาไม่เห็นด้วยกับเราเลยเนี่ยเรนึกถึงเมื่อไหร่ก็ก็ไม่พอใจเพราะเขาไม่ใช่พวกของเราเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับเราวันคนกลุ่มนี้ก็จะนึกถึงสิ่งนี้แล้วก็จะโทษสะนเรียกว่านึกถึงว่าคนเหล่านั้นทาลายประโยชน์แกเราเร <c oughs> มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะตอนหลังก็เป็นมือปืนเนี่ยคือสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ถูกคนอื่นรังแกบ่อยมากและเด็กคนนี้อ่อนแอแต่ว่ามันเป็นคนพยาบาทถูกใจเจ็บมาก ใครมาทําอะไรมันไว้มันจํารายชื่อไว้หมดเกลี้ยงเนี่ยนะตอนหลังมันโตโตก็ไปฝึกเป็นมือปืนนี่ยนะโอ้โหตอนหลังมันตามรกาเก็บบัญชีหมดนี่นะบางคนเนี่ยตอนที่อยู่ธรรมดาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกเขาโกรธเขาไม่สแสดงกิริยาท่าทางเราพูดว่าอะไรเขาว่าไปได้หมดเลยแต่อย่าให้มันเมา มันเมาแล้วมันคิดบัญชีหมดเลยที่ใครไปว่าอะไรไว้ไปแกล้องอะไรไว้ไปอะไรตอนไหนเนี่ยนึกได้ออกหมดแล้วตามคิดบัญชีหมดด้ว ย, ยนะเ <c oughs> ขาจะมีคนกลุ่มประผูกลักษณะที่โกรธแบบนั้นก็มีไม่ไม่บอกไม่แสดงนะแต่ว่าไม่พอใจแล้วก็รอเก็บบัญชีทีเดียวเลยนะ <c oughs> ทีเดียวยนยะไม่รู้ว่าบางคนก็ตามสมควรแก่เหตุผ ล, ลนะควรควรใช้ปากคืน หรือว่าควรจะลงไม้ลงมือหรือควรจะใช้อาวุธเป็นการโต้อตอบก็ตามกรณีไปต า, ตามโทราันูโทษว่าสิ่งนั้นเนี่ยมาทำลายประโยชน์เราแค่ไหนเนี่ยหรือบางคนเนี่ยนะอย่างอย่างกิจกรรมที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยใครที่มาขัดขวางอันนี้จะโกรธตรงๆเลยเฉพาะหน้าเลยนยะ อะไรที่มาขัดขวางประโยชน์ของเราที่ที่อะไรเป็นส่วนเป็นประโยชน์ของเราเราก็ไม่พอใจเนี่ยนะนี้ก็โทสะเกิดขึ้นหรือว่ารู้เลยอคนนี้อนาคตต้องเป็นศัตรูเราแน่นอนเห็นไหมก็เหมือนอะไรเหมือนว่าในเรื่องโคสกะเศรษฐีเนี่ยนะที่ตอนตอนโคสกะเศรษฐีเนี่ยเป็นเด็กๆกอ่ะนะพ่อเนี่ยรู้เลยพ่อที่เอามาเลี้ยงเนี่ย ไอเดก็กคนนี้ถ้ามันโตไปเนี่ยมันต้องเอาทรัพย์ของเราไปเนี่ยนะลูกเราไม่ได้เป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นรีบฆ่ามันเพราะมันจะเป็นศัตรูของเราต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็คนบางคนเนี่ยก็ไม่เกลียดคนอื่นเพราะเห็นว่าอนาคตไอคนเนี่ยมันจะเป็นศัตรูเราแนะ่จะต้องมาทําลายประโยชน์ของเราแน่นอนเนี่ยนะพันอะไรเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าพวกที่ปลูกพืชทั้งหลายเนี่ยนะถ้าปล่อยให้พืชกลุ่มเนี่ย เจริญเติบโตไปมันจะเป็นศ vale ัตรูพืชของเราเพราะฉะนั้นจะต้องกําจัดศัตรูพืชเนี่ยนะศัตรูหรือวัชพืชเนี่ยนะวัดชาแปลว่าโทษเนี่ยนะโทษของพืชเพราะฉะนั้นก็จะต้องรีบกําจัดสิ่งเหล่านั้นๆออกไปเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นอ่ะมันจะเป็นที่ตั้งแห่งความเสียหายของเราต่อไปในอนาคตเนี่ยนะแม้กระทั่งกลุ่มเชื้อโรคทั้งหลายแหล่ก็เหมือนกันที่เรารีบกําจัดมันออกไปเพราะเราถือว่ามันเป็นศัตรูเราต่อไปใน อนาคตเนี่ยผู้ที่โกรธเนี่ยนะมันโกรธทั้งในสัตว์และสังขารนะไม่ได้โกรธในในในที่เป็นบุคคลอย่างเดียวโกรธทั้งในสัตว์ทั้งในสังขารเนี่ยนะที่ที่สร้างความเสียหายให้เนี่ยนะอย่างคนที่ปลูกพืชแล้วน้ำท่วมเนี่ยนะก็โกรดน้ำใช่ไหมผู้ที่มีทรัพย์สินและไฟไหม้ก็โกรธไฟเนี่ยนะมีทรัพย์สินมีผลไม้แล้วลมหัวด้วนมาพัดร่วงหมดก็โกรธลมเนี่ยนะ ฝนเอามาเล่นงานอีกก็โกรธฝนเนี่ยนะมางลงอีกก็โกรธมาแรงอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าขอให้ยุติดหรือไปพอใจที่สําคัญว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ของเราแล้วคิดว่าผู้ใดเขาเคยทํากําลังทําหรือจัะทำอ่ะนะสิ่งที่มาทําลายประโยชน์เราจะเป็นวัตถุเป็นสัตว์เป็นสังขารเราจะนึกโกรธหมดเลยเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธหมดเนี่ยนะพระทงตรัสว่าไงนะความโกรธเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะสิ่งอันเป็นที่รัก ถ้าไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะความโกรธจากมีแต่ไหนภัยจากมีแต่ไหนพรันพวกภัยทั้งหลายแหละพวกความโกรธความเดือดร้อนความเร่าร้อนเนี่ยเกิดจากนะสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะแล้อีกในหนึ่งก็บอกว่าความโกรธย่อมเกิดจากความรักเนี่ยนะก็คือเข้าไปรักไปผูกพันเข้าไปพอใจในสิ่งนั้นๆั้นอ่ะพันเมื่อความรักไม่มีเนี่ยนะความโกรธจากมีแต่ไหนภัยจากมีแต่ไหน มันทั้งปรีรูปสารูปวัตถุอันเป็นที่รักก็เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธตัวความรักที่เข้าไปพอใจในวัตถุนั้นๆก็เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเนี่ยนะโกรธไม่ใช่เฉพาะแต่บุคคลอื่นหรือว่าสังขารอื่นตัวเราเองโกรธตัวเราเองที่เราทำละทาประโยชน์ให้ตัวเองได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมบางทีไปสนุกเตะอะไรอันนี้ก็โกรธในฐานะที่ไม่สมควร บางทีก็โกรธตัวเองจะไม่นอนมากเกินไปน่ะตื่นไม่ทันเนี่ยโกรธตัวเองอันนะใช่ไหมมีไหมจางที่ว่าโอ้โหโงานนั้นมันรีบมากพอดีหลับเพลินไปหน่อยนะหมายโกรธตัวเองไม่น่ารับเลยะนะหรือไปทําอะไรไปพูดอะไรแล้วมันเสียเงินเสียทองตามมาเนี่ยนะก็โกรธตัวเองไม่น่าเลยแล้ ว, แ ล, วแล้วเอโกรธตัวเองอย่างนี้แล้วเอางานไปโกรธคนอื่นอ่าคนอื่นเขาไม่ช่วยเราอ่ะเขาไม่แนะนําเราก็ไม่ปลุกเราเขาไม่เตือนเราเนี่ยเอาแล้วกันนี่ไฟเนี่ยนะถ้ามันไม่ที่เดียกัน เขาว่าไงนนะโทสะนี่มันเกิดขึ้นนะมันเผาเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเผาจิตเผาเจตสิกไงสาระที่เหลือมันจะเผาหัตยวัตถุแล้วก็เผาเลือดที่สูบฉีดเนี่ยนะแล้วก็เผากายกรรมเผ <c oughs> <c oughs> าวจีกรรมเนี่ยนะแล้วก็เริ่มลามไปหาข้างนอกนนะก็รัศมีเนี่ยนะมันเหมือนอะไรเหมือนฟ้าผ่าเลยนะตกเมื่อไหรนะ่เนี่ยสะดุ้งตกใจหมดเลยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเด็กเล็กที่สุดในบ้านโกรธนะคนโทสะเนี่ยนะเด็กมันร้องและคนอื่นเขาเย็นหมด แต่ถ้าคนโตมาหน่อยมีโทสะเนี่ยคนก็จะเริ่มเดืดร้อนขึ้นมาอีกถ้าเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดของบ้านโกรธนะคนอื่นเดือดร้อนหมดเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าไฟเนี่ยมันลามที่ไหนขึ้นมาก่อนโทสะนี่เป็นกลุ่มไฟเนี่ยนะทีนี้บางคนเนี่ยลำพังตัวเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยนะไปหวงแหนสิ่งที่ถือว่าวัตถุนั้นเป็นที่รักของเราเนี่ยนะกระนัล่วงเกินชั้นเนี่ยได้แต่ว่าไปล่วงเกินสิ่งที่ชั้นรักไม่ได้เนี่ยนะ ก็พวกกลุ่มพวกเนี้จะโกรธเพราะใครมาทําลายวัตถุอันคนคนที่เรารักเนี่ยนะเช่นพวกถ้าเขาด่าเราไม่เป็นไรถ้าเขาด่าพ่อเราไม่ได้เนี่ยนะอย่างเงี้ยกลุ่มเนี่ยเขาว่าเราได้แต่ว่าอย่าว่าแม่เรานะเขาว่าเราได้แต่อย่าว่าเพื่อนเรานะอย่างเงี้ยนะเขาว่าเราได้แต่อย่าว่าเมียเราเด็ดขาดอย่างเงี้ยนะเขาว่าเราได้แต่อย่าว่าสามีเราเนี่ยนะก็คนกลุ่มประเภทเนี่ยที่ที่ไปไปเดือดร้อนกับคนรอบข้างนะต่ว่าตัวเองก็ไม่เท่าไหร่หรอก เนี่ยะไม่เียกว่าไม่ค่อยถือเนื้อถือตัวอะไรนะแต่ว่าไปล่วงเกินอีกฝ่ายไม่ได้ก็ก็มียอมคนหนึ่ง น, นะแต่ไอโจนเนี่ยมันไปรักของในบ้านก็รักของในใ น, ในที่ดินของเขาไะแม่บ้านเขาก็ไปด่าโจนคนนั้ น, นแล้วก็ไอโจนมันก็เลยเล่นงานแม่บ้านเขานะตกสักทีหนึ่งไหแล้วก็ด่า ไอ้คนเนี่ยโกรธมากเลยนะพยาบาทจนไอ้โจรคนนั้นตายไปแล้วก็ยังไม่เลิกพยาบาทเลยนะแสดงว่าจะต้องคิดบัญชีไม่รู้กี่ชาตินะนะเพราะอะเพราะโกรธมากที่ไปไปไปด่าไปตบแม่ไปตบเมียตัวเองเนี่ยนะแค้นมากบางคนเนี่ยรักลูกมากใชนะ่ไหมถ้าใครมาทําอะไรตัวเองไม่เท่าไหรนะแต่ถ้ามาทําลูกเมื่อไรนะ่เนี่ยเรื่องราวใหญ่โตเลยนะมาดูถูกลูกเรามาดูหมิ่นลูกเรามาตีลูกเราเนี่ยนะอย่าง พวกครูทั้งหลายที่ไปตีลูกกันนะใครที่รักลูกเหนือชีวิตเนี่ยพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยโว้ยโกรธครูมากอะที่มาตีลูกเราเนี่ยนี่ยจงแกสอนเจอไหมฮะที่พ่อแม่รักลูกไหมยิ่งกว่าชีวิตได้อีกเนี่ยเน่ยคนกลุ่มที่ที่รักวัตถุอื่นๆเนี่ยมากนะนั้นถ้าอะไรที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับวัตถุหรือหรือบุคคลที่เรารักเนี่ยเราจะเกลียดเราจะชังเราจะไม่ค่อยชอบเนี่ยนี รุ่นก่อนนะรุ่นนี้ไม่ได้แล้วรุ่นนี้อย่าว่าลูกบังเกิดเกล้าของเราเลยเนี่นยนะออกกดห้ามตีลูกบังเกิดเกล้าเนี่ยนะให้มันติดยาแล้วมันจะมาตีเราเองไม่ <c oughs> ตีมันเดี๋ยวมันก็มาตีเราเนะที่ก็มีที่นึงอนะ่ะมันก็ไปขู่ขูรีดเอาสตังแม่เอาเพาะเอาสตังแม่เนี่ยบ่อยเข้าบ่อยเข้าพ่อก็มาห้าม พ่อมาห้มก็ชักปืนจะเล่นงานพ่อพ่อก็เลยชักปืนสวนกันไปเนี่ยนะลูกเนี่ยตายพ่อปางตายมันอ่าก็ก็ไปตั้งไว้ตั้งงานศพเนี่ยนะพระไม่ยอมขึ้นไปสวดให้อ่ะเห็นไหมพระเนี่ยนะนี้่ลูกคนที่คนที่ถูกยิงตายเนี่ยนะพราะพระไม่ยอมขึ้นไปสวดให้อ่ะเร็วรายเร็วร้อยมากเห็นไหม ก็ไปขู่สตังเอาสตังแม่เนี่ยนะเอาไปขู่หลายครั้งหลายครั้งเข้านะก็ข่าวมันก็ดังอยู่แล้วแต่ล้วตอนหลังก็เอาปืนไปขู่เนี่ยนะพ่อก็ไปห้ามก็ปืนมาพ่อพ่อปืนไวกว่าสัตว์ลูกตายเลยนะแต่พ่อก็โดนยิงเหมือนกันก็ปางตายพ่ออยู่โรงพยาบาลนะลูกก็อยู่เนี่ยสารวัตรพระก็จะไม่สวดให้นะแม่เนี่ยจะเดือดร้อนขนาดไหนนะ อันนี้รจริงเมื่อไม่กี่ปีนี้สัปปะเรอยอเผ า, าให้นะแต่ <laughs> ยุ่ง <laughs> อันนะโอ้เขามายอมให้เหม็นอยู่แล้วนะเก็บ <c oughs> อยู่แล้วแก็บางคนนี่ก็ลักษณะนั้นน ะ, ะรักลูกห่วงแหนจนไม่กล้าตีไม่กล้าอะไรตอนหลังที่สุดก็สร้างปัญหาให้อย่างมากเสร็จแล้วก็มาโกรธตัวเองไงหมายเราเนี่ยนะ บางทีอะนะใครตามใจลูกมากก็เธอนั่นแหละตามใจลูกมากเห็นไหมลูกมันเป็นอย่างนี้ก็กคุณนั่นแหละเป็นพ่อไม่รู้จักสั่งจกักสอนเนี่ยนะก็เอาแล้วกันนี้พ่อแม่มาทะเลาะ ก, กันเองแล้วก็ที่ใดมีอัศาธามากตรงนั้นอาทีนะวะมันจะตามมาบาลนแล้วก็พวกที่ ไปทําลายผลประโยชน์เนี่ยนะทำลายผลประโยชน์เช่นคนที่เรารักมาทําลายผลประโยชน์พ่อแม่เราทําลายผลประโยชน์เพื่อนเราทําลายผลประโยชน์ลูกหลานเราทําลายผลประโยชน์ประเทศเราเนี่ยนะทำลายผลประโยชน์โลกเราเนี่ยนะก็โอ้ยยึดหมดอ่ะนะขอให้มันถือว่าของเราเหะผู้ใดมาทําลายสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ของบุคคลของเราอ่ะนะคนในของเราเราไม่ชอบทั้งนั้นอ่ะ ะโทษะมันหาเหตุผลจนสมควรแก่การโกรธมันบอกว่าได้เวลาโกรธแล้วนะเรื่องนี้คู่ควรแก่การโกรธมากนะเ น, น, นะมันมันเข้าข้างเลยใช่ไหมก็มันน่าโกรธจริงๆอ่ะนะคุณลาวันเนะมันน่าไม่พอใจจริงๆนะนะอ่ะอ๋อไม่ใช่แล้วนะเมื่อก่อนมีเห็นพูดอย่างนี้เลยเมื่อก่อนบอกมันก็มันสมควรอ่ะนะมันมีเหตุผลเพราะเมื่อมีเหตุผลเราต้องโกรธเออมันดีอ่นะพอใจมากอนะ ก็บอกว่าความกโกรธในส่วนหนึ่งนะนะสมุทฐานเกิดจากมานะด้วยเหมือนกันเห็นไหมผู้ที่มีมานะกล้าเนี่ยจะเป็นคนกโกรธกว่าคนอื่นทั่วปกติทั่วๆไปยิ่งถือตัวมากยิ่งกโกรธบ่อยเนี่ยนะถือตัวมากแต่เขาก็มีดีพอที่เขาจะถือตัวเนี่ยนะแต่เขาก็มีดีจริงๆอ่ะเขาจึงถือตัวพอถือตัวเขาก็เลยเป็นกลายเป็นคนอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดบ่อยอะไรบ่อยเป็นต้นเหนไะ อย่างคนที่ได้รับการยกย่องมากๆมากๆมากๆเข้าตอนหลังก็ถือตัวพอถือตัวก็กลายเป็นคนเจ้าโทสะไปเลยนี่ต่อไปนะว่าบางคนเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งก็คือโกรธที่ไปช่วยไปไปช่วยคู่แข่งของเราช่วยศัตรูของเราเนี่ยนะถ้ายิ่งแบบมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยนะใครที่ไปช่วยฝ่ายโน้นที่เป็นศัตรูเราเนี่ยเราไม่ชอบหมดนะหรือคู่กรณีนะเราทะเลาะกันเนี่ย ทะเลาะกันสองคนเนี่ยใครถือหางฝ่ายโน้นฉันเกลียดหมดนะขอให้ไปถือหางพวกที่ไม่ใช่เพื่อนฉันเนี่ยไปถือหางศัตรูฉันฉันเกลียดหมดอ่ะฉันไม่ชอบทั้งนั้นอ่ะเนี่ยนะไม่ว่าจะเคยช่วยศัตรูฉันกําลังช่วยหรือจกช่วยนะฉันก็ไม่พอใจนะนความโกรธก็เกิดขึ้นนะอันนี้เสื่อมนีเพราะเพราะความโกรธเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นแล้วทําไงโทรศัพก็เผาเจตสิกก่อนใช่ไหมถ้าคนที่โกรธบ่อยเนี่ยนะถ้าอะไรจะเกิดขึ้น โรคที่เกิดจากโทสะเนี่ยมีมีมากอ่ะ น, นะบางวางให้คุณหมอมายกเป็นตัวอย่างหน่อยว่าถ้าโทสะบ่อยๆเกิดแล้วอะไรจะเกิดโรคอะไรบ้างที่ชั ด, ชดๆเนี่ยนะยกมาให้ขออนยญาตนะถ้าถ้าในทางโลกเนี่ยโกรธโกรธมากๆเนี่ย กรธมากๆโทสะมากๆนะครับที่ที่พบได้บ่อยเนี่ยอันนึ่งก็คือโรคกระเพาะนะครับใช่ครับอันอันต่อไปที่จะเจอได้ก็อย่างความดันเลือดสูงเนี่ยความดันเลือดสูงนี่ถ้าถ้าเกิดว่ากโกรธเนี่ยก็ความดันเพิ่มได้ถ้าเพิ่มขึ้นมากจริงๆเนี่ยเส้นเลือดใหญ่หัวใจเนี่ยฉีกได้ถ้าขึ้นอย่างปัจจุบันนะครับหรือว่าความดันสูงมา ก, มากๆเนี่ยเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ได้แล้วก็ตัวตัวความโกรธแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ พอความดันสูงในเส้นเลือดมันเสื่อมเพราะนั้นแทบจะทุกอวัยวะในเส้นเลือดมันแตกก็ได้ตีบก็ได้ตันก็ได้เช่นสมมติว่าถ้าเกิดไปไปตีที่หัวใจเนี่ยก็กลายเป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้สมมตว่าไปไปแตกที่เลือดตีบตันที่สมองก็เป็นเส้นเลือดสมองได้ท Graduate ีนี้โดยโดยทางโลกเนี่ยเขาถือว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นปัจจัยทําให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะหลาอย่างหนึ่งที่ที่มีเลยนะครับก็คืออาหารเนี่ยเปลี่ยนอย่างเช่นว่าคนที่ว่า ในทางโลกเนี่ยโทรศัพทบางทีซึมเศร้าเพราะน้นเป็นความโกรธใช่ไหมเพราะนั้นเกณฑ์วินิจฉัยโรคเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีด้วยประเภทแบบว่าโกรธแล้วกินมี เ, เคยได้ยินว่ามีอยู่คนพ่อแม่เนี่ยโกรธกับพ่อเนี่ยโกรธปั๊บจะหุงข้าวเลยแล้วกินหมดหม้อเลยอันนี้มีแล้วก็จะเป็นปัจจัยโรค อ, อื่นเช่นอ้วนความดันเลือดสูงอะไรเนี่ยตามมาจากจากการบริโภคครั้งละหม้อเนี่ย หรือว่าบางคนเนี่ยโกรธแล้วไม่ทานเนี่ยมีครเทวดาที่โกรธแล้วไม่ทานก็จุติได้นั่นโกรธเนี่ยโอ้โทษมีมากแต่ว่าที่ที่ชัดอีกอันหนึ่งก็คือว่าโกรธครั้งหนึ่งเนี่ยพุ้มกันจะลดลงแล้วก็เป็นเป็นโรคอย่างเช่นเป็นสิวเป็นอะไรตัวใดเนี่ยเป็นฝีอะไรเนี่ยได้เป็นเป็นโรคจากพุมกันลดลงชั่วคราวเนี่ยได้โดยเดยโรคของความโกรธนั้นเนี่ยเยอะมากแต่ว่าถ้าโดยธรรมวินัยเนี่ยถ้าโทสะก็ รูปกายก็เศร้ามองครับไม่ไม่เศร้าเร็วก็เศร้าช้าครับเท่านี้ก่อนอก็เศร้าใจก่อนใช่ไหมจริงๆอ่ะความเศร้าใจเมื่อไหร่ก็เป็นโทสะทุกครั้งอ่ะนะในโลกเนี่ยนะถ้าถ้าว่าโดยความคิดเนี่ยมันก็แบ่งออกตามเวทนานะไม่สุขเวทนาก็ทุกขเวทนาไม่ทุกขเวทนาก็อุเบกขาเวทนาในชีวิตเป็นจริงเราเนี่ยนะเวทนาไหนเรารับมากประกาศถึงกิเลสสายนั้นเนี่ยมาก ถ้าชีวิตวันหนึ่งเรารับสุขเวทนามากลักษณะของอะไรเกิดบ่อยมากโลภะเนี่ยมากถ้าพื้นฐานเราเราติดติดข้องในความสุขมากะนะประกาศถึงโลภะเรามากถ้าหากว่าเรารับในทุกขเวทนามากเนี่ยนะวันวันเนี่ยมสิการแต่ทุกขเวทนาเนี่ยนะอันนี้ประกาศถึงชาวนะเราโทสะมาก แต่ถ้าคิดอะไรแต่มันเฉยๆเพื่อ น, นี่ประกาศถึงความเป็นโมหะมากนะอันนี้พูดถึงสายอากุศลนะแล้วปกติผู้ที่ไม่ได้อบรมจิตเนี่ยนะไม่มีจิตตภาวนาเนี่ยก็ก็อย่างนี้อยู่แล้วรับสุขเวทนาก็โทสะมันก็ทั่งถามว่าคนป่วยกับคนไม่ป่วยใครจะใจดีกว่ากันนะนะังนั้นคนป่วยก็นับว่าโทสะมากกว่าคนไม่ป่วยในในกรณีคนเดียวกันเนี่ย นถ้าเอาคนป่วยกับคนป่วยไปอยู่รวมกันมากๆอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคนป่วยกับคนป่วยด้วยกันโดยมากจะมีเมตตาต่อกันจะต่างจากคนหิวต่อคนหิวด้วยกันนะคือคือป่วยแบบป่วยโรคโรคอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกันเนี่ยนะเขาจะเห็นใจกันนะแต่ถ้าคนหิวต่อคนหิวถ้ามีอาหารพวก น, นี้จะไม่ค่อยเห็นใจกันแต่ถ้าป่วยต่อป่วยเนี่ยเขาบอกว่ายุคยุคที่ที่มนุษย์จะจะตายมากเนี่ยแบ่งออกเป็นสามยุค ตายเพราะสาดถันตะระสถาธธนตะระก็คือสาสตราอาวุธเนี่ยนะตายเพราะสาตราอาวุธโดยมากตกนรกตายเพราะอดอยากหิวโหยเนี่ยนะพวกนี้โดยมากเกิดเป็นเปรตแต่ถ้าโรคมากขึ้นสวรรค์โดยมากถามทําไมคือถ้าทุกคนป่วยกันหมดมันจะเห็นใจกันหมดะมจะเห็นใจกัน อาจจะมีเมตตาต่อการหวังดีต่อกันนะเพราะว่ามันอะไรมันป่วยเหมือนกันไอ้แกคุณก็ป่วยหรือเออใช่คุณก็ป่วยฉันก็ป่วยนะมันจะมีเมตตาต่อกันมันยังจิตเป็นบุญต่อกันเขบอกว่าไปสวรรค์สะส่วนมากอ่านะถ้าทุกคนป่วยหมดเลยนะมันจะมีเมตตาต่อการมากแต่ถ้าถือว่าถ้าอดอยากหิวโหยกันมากๆนะพวกนี้จะโดยมากเป็นเปรดแต่ถ้าสงครามมากอาวุธมันตกลงแก่กันและกันเนี่ยนะอันนี้โดยมากนรกเขาวังั ข้อหนึ่งถ้าอาวุธสงครามอาวุธก็นรกถ้าหิวโหวยเปรตก็สามก็มถ้าโรคทุกคนป่วยกันหมดมันจะมีเมตตาต่อกั น, นนะใจจะดีต่อการหวังดีต่อการช่วยเหลือต่อกันเนี่ยพวกนี้จะทำให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์อันท่าว่าโดยรวมๆเนี่ยนะคนไข้ทะเลาะกันมีัหมมีบ้างนะแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะ คือถ้าป่วยแบบพังาบพังาบด้วยกันเนี่ยมันจะเห็นใจกันเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่ว่าคนไข้บางคนที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษอีกคนหนึ่งไม่ได้เลี้ยวแลอาจจะริษยากันบ้างนะอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วคนไข้จะมีเมตตาต่อกันนันะถ้าเขาป่วยมันเหมือนกันนะหัวอกเดียวกันให้ใช่เขาแยกโรงพยาบาลเลยก็มี ทีนี้เหตเุพูดถึงธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความพิเศษเนี่ยนะพวกนี้ก็คือความกําจัดความอาฆาตอาคาตปฏิวินัยเนี่ยวินัยนี่แปลว่ากําจัดปฏินี่แปลว่าเฉพาะใช่ไหมกำจัดเฉพาะซึ่งโทสักพวกนี้ก็คือพวกที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่ทําลายประโยชน์เราเนี่ยนะก็คือคล้ายมีแนวความคิดลักษณะนี่นะก็คือทําใจได้นะกลุ่มที่ทําใจได้ คือบุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยทำไว้ในใจว่าผู้นี้ได้ประพฤติแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเพราะเหตุนั้นการที่จะไม่ให้มีการประพฤติสิ่งซึ่ ง, งเออซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในบุคคลนี้แต่ที่ไหนเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดานะก็เขามันเคยทำลายประโยชน์เราแล้วเราจะไปทำอย่างไงเนี่ยนะจะให้เขามาทาประโยชน์ให้เราไม่ได้หรอกเนะ ก็คือยอมรับในสภาพแบบนั้นแล้วก็แก้ที่ที่ใจเนี่ยนะแก้ที่ใจเราอะว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราเราจะไปทํำยังไงเนี่ยในข้ออื่นๆก็ในย่าเดียวกันนะก็คือทําใจนะว่าเออเขากําลังทําลายประโยชน์ของเราอะก็คือยอมรับว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นนะมันไปทําอะไรไม่ได้หรอกไปจะไปให้เข้ามาเป็นมิตรกับเราไม่ได้หรอกอะไรก็คือทําใจเอานะอันนี้ปัญหาอันนี้แก้ที่ใจนะแก้ที่ใจไม่ให้ไป ไปโกรธในในสิ่งนั้นๆในบุคคลที่ทําลายประโยชน์แก่เราในบุคคลที่มาทําลายประโยชน์แก่คนที่เรารักเนี่ยนะหรือไม่ไปโกรธในบุคคลที่เป็นศัตรูของเราอ่ะนะพวกนี้กลุ่มนี้ก็ทําใจได้ก็คือสามารถที่จะมีเมตตาได้เนี่ยนะสามารถที่เออบางคนนี่แม้กระทั่งเสียประโยชน์แล้วก็ทําใจได้ใช่ไหมเสียประโยชน์ไปก็ทําใจได้เนี่ยนะอ ย, นะอย่างเมื่อคืนนี่หมอว่าไงนะี่ ถ้าเขายกมือเออก็ดีกว่าเขามาขูดรถเราอย่างเงี้ยนะก็ดีนะอันนั้นก็ลดโทสะไปเยอะแล้วนะนนก็ถ้าทําใจลักษณะนั้นได้นะก็สบายใจแล้วเหมือนั้นฮะคือปัญหาในโลกเนี่ยนะโทสะมันอยู่ที่การคิดจริงๆอยู่ที่การคิดในสิ่งเดียวกันนะถ้าฉลาดคิดมันก็ไม่เป็นโทสะแต่ถ้าคิดไม่เป็นมันก็เป็นโทสะทีนี้คนไม่ฉลาดคิดนะบางทีมันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราก็ยังเก็บเอามาคิดจนได้ ใช่ไหมแม้กระทั่งเรื่องประเทศไหนก็ไม่รู้ไปเที่ยวเก็บมาคิดหมดเลยนะนไปแบ่งความทุกคนอื่นมาช่วยเขาคิดหมดอะไปช่วยเดือดร้อนอะนะแต่ทุกคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเก็บมาหมด